บทที่ห้าสิบเจ็ดไปศึกเอาดาบหน้าเสร็จเรื่องงานศพพระครูสิงหราชมุนีแล้วพระเจริญกลับมาที่บ้านโยมยายพเพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าคารวาส ท่านจัดเสื้อผ้าได้หนึ่งกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปศึกออดาบหน้าคิดว่าใจดีที่วัดไหนก็ขอให้ท่านสมภารวัดนั้นศึกให้ท่านคิดไปที่ไหนละ่ะโยมยายถามอย่างเป็นห่วงยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไปทางเหนือใจคอไม่ค่อยจะเป็นปกติเลยใจโยมยายอาตมาอยากศึกใจจะขาด แต่พอคิดสึกขึ้นมาทีไรเป็นง่วงเหงาหานอนทันทีมิหนำซ้มเสียงประหลาดยังตามมารบกวนซะอีกพระหนุ่มพูดอย่างเหนื่อยหนายแสดงว่าเริกไม่ดีใจเย็นๆนะท่านรอให้เริกดีก่อนค่อยสึกเชื่อโยมเถอะก็เพราะเชื่อโยมยายนี่แหละอาตมาจึงยังไม่สึกท่านพูดอย่างรำคาญกำลังอารมณ์ไม่ดี เลยพานโกรธไปถึงผู้เป็นยายแล้วท่านจะกลับวัดพรหมบุรีก่อนหรือว่าจะเดินทางเลยคนวัยเกือบ90สิเปลี่ยนเรื่องถามอาตมาไม่เข้าวัดพรหมบุรีแล้วคืนนี้ขอจำวัดที่นี่คืนหนึง่งพรุ่งนี้จะออกเดินทางท่านพูดเนืเนื่อยไม่รู้สึกกระตือรือร้นแต่อย่างใด ทำไมไม่เปลาสมภารอย่างน้อยก็ได้เคยอาศัยวัดท่านอยู่มาตั้งพรรษาโยมว่าน่าจะไปล่าลาท่านก่อนอัตมาลาท่านตั้งแต่วันไปอยู่วัดสังขราชาแล้วรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยจะชอบหน้าอัตมาสักเท่าไรเอาไว้สึกแล้วข้าไปกราบท่านอีกครั้งท่านพูดตัดบทคนเป็นยายจึงไม่กล้าเซาซีจัดของเสร็จ ท่านก็เตรียมตัวออกจากบ้านบอกโยมยายว่าอาตมาจะไปลาโยมพ่อกับโยมแม่คงจะกลับค่ำๆท่านไม่ได้พูดให้จบว่าหลังจากลาโยมบิดามารดาแล้วก็จะไปลาแม่ประยงลูกสาวนางนวลตอนท่านอยู่วัดสังคราชานางนวลเคยมานิมนต์ไปฉันเพนที่บ้าน แม่ปริยงทำอาหารถวายรสชาติอาหารที่หล่อนทำไม่ผิดเพี้ยนไปจากฝีมือของโยมยายหล่อนมีอะไรอะไรหลายอย่างคล้ายๆโยมยายของท่านทำให้ท่านตกลงใจว่าจะสึกและก็ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอหล่อนมาเป็นสีภรยาเรื่องสินสอดทองมั่นท่านก็มีพร้อมนางนวลคงไม่เรียกร้องอะไรนักหนาด้วยว่านางร่ำรวยอยู่แล้ว แต่หากนางเรียกแพงเกินไปท่านก็จะถือโอกาสเล่นตัวแม่ปรโยงดูหลงไหลท่านออกอย่างนั้นนางนวนหรู้จะกล้าขัดใจลูกสาวคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันพัทหารเรียบร้อยแล้วพระเจริญก็ออกเดินทางท่านหิ้วกระเป๋าสองใบใบหนึ่งบรรจุเสื้อผ้าคารวาสอีกใบบรรจุอัฐบริคาร คือเครื่องใช้สอยของพระภิกษุมีแดอย่างได้แก่สบงจีวรสังคติบาตรมิโกนเข็มประคตเอวแล้วก็้ากรองน้ำสำหรับบาทนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าท่านจึงใช้วิธีสะพายไว้ที่บาซ้ายบาข้างขวาสะพายย่ามในย่ามก็มีปัจจัยห้าช่าง สายสร้อยคอทองคำหนักห้าบาทที่เป็นค่าจ้างจากบ้านป้าเหรียญแหวนเพชรหนึ่งวงอันถือเป็นของมั่นจากแม่ประยงและก็นาฬิกาไวเลอร์หนึ่งเรือนผ้าพระภิกษุสบายบาทและย่ามด้วยบาซ้ายขวามือทั้งสองหิ้วกระเป๋าข้างละใบดูพรุงพรังจนหน้าขัน โยมยายมองตามตาละห้อยขณะที่นางสาวจำแรงล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านหล่อนไม่สนใจใายดีกับใครนอกจากเล่ายายก็เลิกสนใจหล่อนเช่นกันพระหนุมเดินออกจากบ้านเมื่อเวลาเจ็ดโมงเศษท่านตั้งใจจะไปขึ้นรถสองแถวที่ตลาดเพื่อไปลบบุรีจากลบบุรีจะต่อรถไฟขึ้นเหนือจุดหมายปลายทาง จะเป็นที่ใดนั้นค่อยคิดทีหลังท่านเดินทางอย่างเร่งรีบมาที่ท่ารถซึ่งอยู่ท้ายตลาดของที่หิ้วก็แสนจะหนักครั้นจะหยุดพักก็เกรงว่าจะไม่ทันรถจึงต้องอดทนเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งประมาณสิบสามนาทีก็ถึงท่ารถพระหนุ่มเหนื่อยใจแทบขาดเหงื่อโทมตัวรถไปลบบุรีกาลังจะออกพอดี ลวงพี่จะไปไหนเสียงท้ายรถตะโกนถามไปลบบุรีขอไปได้วยคนท่านตะโกนตอบรถเต็มไม่มีที่นั่งนี่มนไปคันหลังเถอะครับท้ายรถบอกเขาไม่เต็มใจรับพระเพราะว่าไม่ได้เงินให้อัตมาไปคันนี้แหละรอคันหลังเกรงจะไม่ทันรถไฟงั้นก็ไปนั่งเบียดกับคนข้างหน้าก็แล้วกัน ส่งกระเป๋ามานี่เขาสั่งยังไม่พอใจนักพระหนุ่มจึงส่งกระเป๋าสัมภาระสองใบให้ท้ายรถเวียงโครมไปบนหลังคาและก็ผูกเชือกกันตกเวลารถวิ่งพระเจริญจึงต้องขึ้นไปนั่งเบียดกับคนขับข้างหน้าซึ่งมีผู้ชายนั่งอยู่สองคนคนขับอีกหนึ่งรวมเป็นสี่คนหลวงพี่อยู่วัดอะไรครับ คนขับถามชายสองคนนั่งอยู่ก่อนลงมาให้ท่านไปนั่งติดกับคนขับเพราะว่ากลัวท่านจะตกเจ้ากลางทางด้วยว่าที่นั่งด้านหน้านั่งได้เพียงสามคนอาตมาอยู่วัดพลมบุรีท่านตอบและหลวงพี่จะย้ายวัดไปอยู่ที่ลบบุรีเหรอครับเห็นหอบของพหลุงพรังเปล่าอาตมาจะขึ้นเหนือ จะไปหาวัดที่จะทําพิธีศึกให้อัตมาได้ท่านบอกความในใจที่วัดพรมบุรีศึกไม่ได้เหรอครับคนขับสงสัยไม่ทราบเหมือนกันเพราะอัตมาจะศึกสองครั้งแต่ก็มีอันไม่ได้ศึกสมภารท่านเลยให้ไปหาที่ศึกเอาดาบหน้าอย่างนั้นเหรอครับผมเองก็เพิ่งได้ยินนี่แหละหรือว่าหลวงพี่ มีอันจะต้องบวชตลอดชีวิตพระเจรนุสึกขุนใจกับคำพูดของคนขับจึงบอกเขาว่าอาตมามีคู่มั่นแล้วถึงยังไงก็ต้องศึกออกไปแต่งงานท่านตอบเสียงห้วนคนขับพอจะรู้ว่าท่านกำลังอารมณ์ไม่ดีจึงไม่ชวนคุย รถสองแถววิ่งปเลงปเลงไปตามถนนจอดรับคนมาตลอดเส้นทางคนขึ้นบ้างลงบ้างผู้ชายสองคนที่นั่งริมซ้ายด้านหน้าลงไปแล้วพระหนุ่มรู้สึกอึดอัดน้อยลงจึงชวนคนขับคุยด้วยขอประทานโทษโยมีครอบครัวแลหรือ ย, ยังมีแล้วครับหลวงพี่ผมมีเมียสามลูกห้า คนขับตอบอย่างภาคภูมิใจทั้งที่อยู่ในภาวะหน้าชื่นอกตรงโอ้โหทำไมมีเมียเยอะจังดูท่าทางโยมยังหนุ่มยังแน่นอายุยังไม่เข้าเบญจเพศซะกตอนมัง่งท่านมองหน้าอ่อนเยาวหักเกรียมแดดผมเพิ่งยี่สิบสองครับหลวงพี่มีเมียตั้งแต่อายุสิบเจ็ด มีสามคนพร้อมกันเลยหรือคนเป็นพระอยากรู้เปล่าครับอายุสิเจ็มีคนหนึ่งคนที่สองกับคนที่สามมีตอนอายุยี่สิบทิ้งช่วงห่างกันสามเดือนคฤรหัดอธิบายทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะบรรพชิตไม่วายสงสัย ก็สองคนมันอยากทะเลาะกันผมรำคาญเลยมีมันเอกสักคนหนึ่งให้หมดเรื่องโบราณสอนว่ามีเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราแล้วหมดเรื่องจริงหรือเปล่าชายหนุ่มผู้เป็นขราช ห, หัวเราะแห่แหก่อนตอบว่าหมดอะไรได้ล่ะท่านเรื่องมันยิ่งมากซะจน ขมังผมจะแตกนี่ถ้าไม่ห่วงลูกห้าคนผมหนีไปบวชแล้วผมว่าหลวงพี่เป็นพระดีอยู่แล้วอย่าสึกออกมามีเวรมีกรรมอย่างผมเลยเขาวกเข้าหาสิ่งที่ทำให้พระหนุมขุนเคืองโดยที่เขาเองก็ไม่รู้มันไม่เหมือนกันหรอกนะโยมอาตมาคงไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวอย่างนั้น เพราะอาตมาเป็นคนรักเดียวใจเดียวท่านตอบด้วยท่าทีจริงจังเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างหลวงพี่แต่ความคิดกับความจริงมันคนละเรื่องกันเลยครับผมว่าหลวงพี่ก็เหมือนกันถ้าศึกออกไปรับรองว่าไม่มีเมียคนเดียวรอกอาจมีมากกว่าผมด้วยซ้ําอะไรทําให้โยมคิดอย่างนั้นพระเจริญเริ่มโกรธนิดนิ ด, นด ก็หลวงพี่เป็นคนมีสเสน่ห์นะสิขนาดผมซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันยังดูออกประษาอะไรกับผู้หญิงเกิดมารุมรักหลวงพี่พร้อมๆกันหลายคนหลวงพี่จะใจดาพอที่จะให้พวกกรอ่อกหักเชือรึคาพูดของคนที่เป็นคฤรพหัดทำให้ความโกรธน้อยๆของคนเป็นบ ร, รบัณฑิตนั้นหายไปมีความปลาบร่มเข้ามาแทนที่ ท่านนึกเออ อ, อหอ่หมกไปกับพ่อหนุ่มคนขับมิหน้าล่ะแม่ไปโยงจึงได้เอาแหวนเพชรมามั่นไว้ก่อนตามธรรมเนียมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับมั่นแต่ความมีสเสน่ห์ของเราทําให้หล่อนถึงกับยอมผิดธรรมเนียมเห็นคนเป็นพระนิ่งไปขรรคจึงถามอีกว่าหลวงพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นคนมีสเสน่ห์ ก็พอจะรู้รู้ว่าแต่โยมเธอคิดจะมีคนที่สีที่ห้าอีกหรืึเปล่าภรรยาณะท่านถามเพื่อลองใจผมยังไม่อยากอายุสั้นครับหลวงพี่นี่คือคำตอบมันก็แปลกนะโยมนะที่โยมเป็นผู้ชายมีเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงหลายคนมารักแต่ที่อาตมาเห็นน่ะ บางคนไม่มีสเสน่ห์ไม่หล่อไม่รวยแต่ก็มีภรรยาหลายคนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาอาจมีของดีก็ได้เช่นอาจจะมีขุนแผนมีน้ำมันพายหรือมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักคนขับตอบคนเป็นบันปะชิตถึงขับหูผึ่งนึกอยากได้คาถาที่ทำให้ผู้หญิงรักขึ้นเหนือคราวนี้ ท่านจะต้องไปเรียนคาถาที่ว่าให้จงได้อาตมาสนใจคาถาที่ว่าโยมพอจะรู้จักครูบาอาจารย์บ้างไหมอาตมาจะไปขอเรียนกับท่านถามอย่างกระตตอหรือรน้นเขาว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ท่านเก่งเรื่องนี้หลวงพี่น่าจะไปขอเรียนจากท่านพระเจริญดีใจนักกรีบถามว่าวัดที่ว่าี่อยู่จังหวัดอะไรล่ะโยมคนขับยังไม่ทันตอบก็พอดีกับรถถึงจุดหมายปลายทางเขาเปิดประตูออกไปและอ้อมมาที่ประตูทางด้านซ้ายให้ท่านจากนั้นก็ไปรอรับสัมภาร ะ, ระที่ท้ายรถส่งมาจากบนหลังคา ไม่สนใจพระนมที่ต้องการรู้จักชื่อจังหวัดพระเจริญเห็นว่าหากรอให้เขาขนของลงหมดก็คงไม่ทันรถไฟได้กระเป๋าสองใบของท่านแล้วจึงเอ่ยปากลาพร้อมขอบใจคนขับที่ให้โดยสารมาด้วยท่านถือของพรุงพรังมาถึงสถานีรถไฟลบบุรีรถไปพิศนุโลกกำลังจะออก ท่านยังไม่รู้ว่าจะไปลงที่สถานีอะไรครั้นจะคิดนานๆก็เกรงจะไม่ทันรถไฟจึงเดินไปที่ช่องขายตั๋วบอกพนักงานขายว่าจะไปลงพิษณนโลกท่านอยากจะไปนมัสการพระพุทธชินราชเกิดไปใจดีที่นั่นจะได้ขอให้เจ้าอาวาสที่วัดนั้นทำพิธีศึกให้แต่ถ้าใจยังไม่ดี จึงค่อยเดินทางขึ้นเหนือต่อไปซื้อตั๋วได้แล้วท่านจึงขนสัมภาระขึ้นรถไฟรถแน่นจนหาที่นั่งไม่ได้ท่านยืนหิ้วกระเป๋าอยู่ครู่ใหญ่ก็ทนไม่ไหวจึงยัดมันไว้ใต้ม้านั่งที่มีผู้โดยสารอื่นนั่งอยู่รถไฟออกจากสถานีลบบุรีมุ่งหน้าไปปากน้ำโพหนึ่งชั่วโมงต่อมา รถไฟก็มาจอดที่สถานีบ้านมีเพื่อเติมฟืนมีคนลงที่สถานีนี้หลายคนท่านจึงได้ที่นั่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนขึ้นมาจากสถานีบ้านมีและนั่งตรงข้ามกับท่านรถไฟเติมฟืนเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมเคลื่อนขบวนครูต่อมาคนตัดตั๋วจึงเดินมาบอกผู้โดยสารว่า รถไฟเครื่องจักรเสียจะต้องใช้เวลาซ่อมประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเสียงผู้คนพากันบ่นฟังไม่ได้สับแล้วโยมที่นั่งตรงหน้าท่านก็บ่นขึ้นว่าแหมไอรถไฟบ้าเนี่ยทำให้เสียเวลาจริงๆ จ, จะไปกราบหลวงพ่อเดิมทั้งทีไม่น่ามีอุปสรรคเลยได้ยินชื่อหลวงพ่อเดิม พระเจริญก็ดีใจรีบถามโยมคนนั้นว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใช่ไหมโยมบุรุษนั้นมองหน้าท่านแล้วก็ตอบว่าถูกแล้วครับท่านหลาจะไปไหนอาตมาจะไปพิษณุโลกแต่ก็อยากจะไปนมัสการหลวงพ่อเดิมบ้างขอให้อาตมาไปด้วยคนได้ไหมได้สิครับแต่เมื่อท่านลงที่สถานีหนองโพแล้ว ตัวของท่านคงจะต่อไปพิศนุโลกไม่ได้ต้องซื้อใหม่ไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่ห่วงเรื่องนั้นขอให้ได้ไปกราบหลวงพ่อเดิมก่อนก็แล้วกันท่านมุ่งมั่นว่าจะไปขอคาถาทำให้ผู้หญิงรักหรือถ้าเกิดใจดีที่วัดน้องโพก็จะขอให้หลวงพ่อเดิมทำพิธีศึกให้ถ้าเป็นดังที่คิด ท่านก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปพิษณุโลกเราให้แต่งงานแต่งการเรียบร้อยแล้วจึงค่อยพาแม่ประยง์ไปนมัสการพระพุทธชินนาราชเมื่อท่านตกลงใจที่จะไปวัดหนองโพกับโยมผู้นั้นรถไฟก็ออกจากสถานีบ้านมีทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านไปเพียง20สินาทีเท่านั้นไหนขว่าต้องรออีกตั้งชั่วโมงโยมผู้นั้นพูดขึ้น สงสัยหลวงพ่อเดิมท่านโดนบันดาลให้เป็นไปผู้หญิงที่นั่งแถวขวามือท่านคาดคะเนรถไฟแล่นต่อไปพักใหญ่ๆและจอสถานีรายทางไปเรื่อยๆกระทั่งถึงสถานีใหม่มีผู้คน หาบข้าวแกงมาขายข้างรถบ้างก็ขายไก่ย่างบ้างขายมะขามเทศมันแกวขนมคบเคี้ยวต่างๆพระเจริญรู้สึกหิวจึงถามโยมที่นั่งตรงข้ามว่าสถานีอะไรริโยมดูมีของขายมากมายจริงๆสถานีช่องแข่ครับท่านนี่คงได้เวลาฉันเพลแล้วเขายกนาฬิกาขึ้นดู และพูดว่า11โมง40นาทีคงยังไม่หมดเวลาเพง น, นะครับผมขออนุญาตถวายเพงท่านเขาเรียกแม่ค้าข้าวแกงและสั่งข้าวราดแกงมาถาวายท่านหนึ่งจานเด็กผู้ชายอายุราส10ขวบ 2-3 คนถือการน้ำเดินตามตู้รถไฟปากก็ตะโกนว่า น้ำฝนครับน้ำฝนแก้วละห้าสตางค์เมื่อท่านฉันเสร็จโยมคนเดียวกันนั้นก็ซื้อน้ำถวายท่านหนึ่งแก้วเด็กชายรินน้ำส่งให้ท่านพระนมดื่มเสร็จก็ส่งแก้วคืนรับเงินจากโยมคนนั้นแล้วเด็กชายก็ร้องขายต่อไปเมื่อรถเคลื่อนจากสถานีพวกเขาจึงพากันกระโดดลงจากรถ อีกนานไม่โยมว่าจะถึงหนองโพท่านถามโยมคงไม่เกินชั่วโมงก็ถึงท่านยังไม่เคยไปหรอครับเขาย้อนถามไม่เคยอยู่จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดพิจิตรวัดหนองโพนะ่ะจังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่เลยตะครีไปสถานีเดียวหลวงพ่อเดิมท่านเก่งทางไหนหรือโยม ท่านถามอีกท่านเก่งหลายอย่างครับคนเข้าแหกันไปเจ้าของครั้งที่วัดท่านมีทั้งแหวนมีดหมอเกรียนและก็นังกวับใครเช้าของท่านไปทามาค้าขึ้นกันทุกคนเลยพากันมาไม่ขาดสายตอนอาตมานั่งรถสองแถวมาจากลบบรุรีคนขับเขาก็บอกว่าท่านมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักด้วย ท่านพยายามวกเข้าสู่เรื่องที่ต้องการรู้เอเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่ท่านอาจจะมีจริงๆก็ได้บังเอิญผมไม่สนใจเรื่องนี้ก็เลยไม่ทราบเขาตอบแบ่งรับแบ่งสู้ท่านอายุเท่าไรแล้วพระเจริญถามอีกหนึ่งรสปีครับคิดว่าท่านคงอยู่ได้อีกหลายปี เพราะยังดูแข็งแรงดีเมื่อรถไฟจอดที่สถานีหนองโพผู้โดยสารพากันลงเกือบหมดทั้งขบวนรถจะว่าทุกคนมีจุดหมายปลายทางที่วัดหนองโพก็คงไม่ผิดพระเจริญเดินตามญาติโยมไปเรื่อยๆมือทั้งสองหิ้วกระเป๋าข้างละใบบรรดาญาติโยมต่างก็หอบหิ้วสัมภาระของตนไม่มีใครมือว่างพอที่จะช่วยท่านได้ท่านเดิน คิดแต่เรื่องลาสิกขากับคาถาทำให้ผู้หญิงรักกระทั่งมาถึงประตูวัดหนองโพโยมคนหนึ่งบอกท่านนนครับกุติหลวงพ่อเดิมอยู่ทางโ น, น้นนิมนท่านไปนมัสการก่อนพระหนุ่มจึงเดินตรงไปยังกุติที่โยมชี้ให้ดูรู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นคราวนี้แหละจะได้ศึกสงใจเสียที แล้วยังจะได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักเป็นของแถมอีกด้วยช่างโชคดีอะไรเช่นนี้